วันนี้อากาศหนาวไม่แพ้เมื่อวานมันหนาวมาตั้งแต่วันที่สี่เลยมาเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นวันที่เก้าแต่มันก็คงจะหนาวทิ้งทวนนะเพราะมันเดือนกุมภาแล้ว เดือนสามแล้วคงจะหนาวทิ้งทวนแล้วก็คงจะไปแล้วทนเอพราะพวกเราบ่นหามันเอ๊ะปีนี้ทำไมไม่หนาวปีนี้ทำไมไม่หนาวมันเลยมันก็เลยโผล่หน้ามาหนาวให้ซะก่อนจะไปปีใหม่ปีเข้าเขตฤดูฤดูร้อนวันนี้เป็นวันที่เก้า กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559หลวงพ่อก็ได้ย้ำกล่าวเตือนพวกเราทั้งฝ่ายพระด้วยทั้งฝ่ายฆระวาสญาติโยมด้วยพวกเราจะคงจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปรกระคุณของวัดวันที่22 วันนี้เป็นวันที่เก้าแล้วนะลูกหลานนะวันที่22กุมภาพันธ์เป็นวันมาฆบูชานะให้พวกเราอันไหนควรจะเตรียมก็เตรียมดูดูช่วยๆกันดูแต่ก็ยังหลายวันนี่หรอกแต่งานเขาเนี่ยก็คงจะไม่เป็นงานต่างวัดวัดต่างวัดก็คงจะมีของใครของเรายุ่งยากของใครของเรา แต่ี้ทางนี้ทงนั้นเราก็คงจะไมนมนครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะมาได้ในวัดสาขาวัดสาขาของพวกเราตอนเช้าก็มาทําบุญที่นี่ตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนแต่ละวัดของใครของเราถ้ามีแต่ไม่มีใครก็คงจะไม่มีการเวียนเทียนแต่ละวัดเพราะการเวียนเทียนพระทักษิณก็ ศรัทาญาติโยมมากพอสมควรแต่ทางนี้ท้งนั้นที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาองค์หลวงป่าองค์หลวงตาพาดำเนินมาทุกวันใช่ไหมหลวงพ่ออยู่บ้านตาอยู่กับองค์หลวงตาแต่หลวงป่าหลวงตาพาทำทุกปีไหมวัน ว, วันมาคะบูชา วิสาขาบูชาหลวงตาไม่เคยทำ น, นันน่นนะหลวงตาจะทำให้ดูครั้งหนึ่งแต่เวลาท่านทำท่านก็บอกว่าเราทำให้ดูเพื่อให้ได้ศึกษาเป็นศาสนพิธีว่าการเวียนเทียนประทักษิณเนี่ยทำอย่างไรให้พวกพระทั้งหลายศึกษาเรียนรู้ พอต่อมาท่านก็ไม่เคยทำอีกนะหลวงพ่ออยู่ที่นั่นสิบกว่าปีเห็นท่านทำประมาณชักสองหรือสามครั้งที่หลวงตาพาเวียนเทียนพระทักษิณรอบสาลาเพราะนั้นการที่พวกเรามาถึงยุคนี้เราจะทำเป็นจริงจังทีเดียวน้ำตามแนวแนวแถว ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทีเดียวเราก็ต้องมองทั้งสองด้านเหมือนกันนะเราถึงยังไงเราก็ปฏบิบัติบูชาเราก็ไม่ทําอะไรอยู่แล้วในใจของเราก็เป็นอามิชบูชาส่วนหนึ่งปฏิบัติบูบชาบูชาส่วนหนึ่งอันนี้คือคนในหลวงพ่อสัมผัสขึ้นมาก็เล่าเลาให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษ า, าแล้วก็แต่ถึงยังไง การทำบุญอุทิศสวนกุศลอันนี้ความเป็นมาก็คือองค์หลวงตาผ่าดำเนิน อ, องค์หลวงตาก็คือโยมมารดาขององค์หลวงตาที่ท่านจากไปแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีอีกเหมือนกันที่หลวงพ่อไปอยู่องค์หลวงองค์หลวงตานะไม่เคยหลวงตาก็ไม่เคยทำพอโยมมารดาของหลวงตาจากไปปีหนึ่งพอครบรอบ วันมรณะภาพขามันวันมรณะโยมมารดาของหลวงตาหลวงตาท่านก็เออเอาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้โยมมารดาแล้วก็คือญาติของท่านอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งพอจากนั้นมาท่านก็เปิดลักษณะทาบุญเปิดโลกธาตอันนี้หลวงตาท่านเป็นไซตใช้เป็นภาษาศัพท์ของท่าน เราจะใช้แต่องค์หลวงตาคําว่าทําบุญเปิดโลกธาตุเป็นศัพท์ของหลวงตาแต่เราจะไปใช้ศัพท์นั้นไม่น่าจะถูกต้องอีกเหมือนกันแต่หลวงตาท่านบอกทําบุญเปิดโลกธาตุกามโลกลูกประโลกอรูปประโลกมนุษย์โลกเทวโลกภพมะโลกทําบุญอุทิศสูงกุศล ให้กับทุกดวงวิญญาณถ้าผู้ใดที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้อุทิศส่วนกุศลให้ทุกดวงวิญญาณไม่ได้จํากัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งดวงวิญญาณใดดวงวิญญาณหนึ่งทั่วถึงเพราะนั้นถึงวันหนึ่งในวัดป่าบ้านตาท่านเคยทำบุญเปิดโลกธาตุ คือทสรุปแล้วก็คือทาบุญโยมบรรดาของท่านเป็นหลักยึดวันโยมบรรดาของท่านเป็นหลักที่ทาบุญที่วัดป่าบ้านตาดแต่นี้ที่มาถึงจุดของเราเราก็มาคิดอีกเหมือนกันว่าใช่ลงตาทำบุญเปิดโลกธาตให้กับวัดโยมบรรดาของท่านเป็นหลักแต่วัดของเราล่ะ แต่ถึงจะไม่เปิดโลกธาต์ถึงขนาดนั้นเถอะเราก็ทำบุญให้กลุ่มศรัทธาญาติโยมผูม้มีผู้มีอุปกรณของวัดเพราะว่าวัดของเราสร้างมาเนี่ยตั้งแต่ปี 2,523 เริ่มแต่หลวงพ่อมาอยู่ปี 2,525 จ 25, นมาถึง 2,559 ขนาดนี้แหละผู้ที่เสียสละทุนทรัพย์ถวาย สร้างวัดของเราก็มีมากผู้แสดงความกำลังกายพวกผู้สูงอายอุมาช่วยสร้างวัดได้ยากสร้างกุฏิแบกไม้และก็ผู้ที่ใช้แนวความคิดวางผังวางแปลนที่จะสร้างวัดของเราเนี่ยสรุปแล้วก็คือทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์กำลังความคิดที่สร้างวัดกวนพวกเราได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้ก็ใช้เวลานา น, านเพราะสงกวนแล้วก็จากนั้นมาถึงที่นี่ก็กี่ปีเพราะนั้นผู้สูงอายุทั้งหลายหรือว่าพวกที่มาร่วมสร้างทั้งหลายก็ได้ล้มหายตายจากไปหลายคนเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราอยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบาย ในการทุนทรัพย์ของท่านเหล่านั้นกําลังกายของท่านเหล่านั้นกําลังความคิดของท่านเหล่านั้นพวกเราควรจะอุทิศส่วนกุศลเป็นจิตจะลักษณะปีหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งถ้าวัดดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นสิงสถิตอยู่ณทิณใดที่ใดเราขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราพวกเรายินดีพร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณนั้น ทุกดวงวิญญาณทุกดวงใจถ้าว่ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่ยงๆขึ้นไปเขาว่าความสุขความนี้นะ่ะอันไหนคือความสุขแต่ตามไม่จริงพวกพวกเราเนี่ยถึงจะอยู่ว่าใครมีความสุขความสุขก็เถอะนะมันก็มีความทุกข์อยู่ในจิตใจยๆว่าใครๆก็อยากจะไฟให้สูงขึ้น เออเมื่อเป็นเศรษฐีมีเงินร้อยก็จะจะมีเงินพันถ้ามีเงินพันแล้วก็จะจะมีเงินแสนเงินล้านร้อยล้านไปอีกเออจนถึงพอพอแล้วคราวนี่คำว่าพอนะี่ยากนะคือพอคํานี้ในหลักของทำคําสอนของพุท ธ, ธะก็คือเป็นพระอรหันจบฮะแปลว่าผู้ไม่พึ่งพาอาศัยใครทั้งหมดเรียกว่าอาเสขะ เสขาผู้ไม่ต้องศึกษานะเสขานะเนี่ยเสขะเป็นผู้ยังศึกษาอยู่นะอ่ะเสขาผนะู้ไม่ต้องศึกษาเพียงพอแล้วเนี่ยแหละคําว่าผู้เพียงพอเกือบุญบริบูรณ์เต็มบริบูรณ์ก็คือพระหรหันต์ถ้านอกจากนั้นลงมาเนะี <c> ่ย <oughs> อย่างพ่องอยู่นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนยังพ่องอยู่ต้องจะท่องสังสมบบารมีจะต้องสัง สมบูรณ์กุศลถ้าใครให้มาก็รับทางนั้นแหละเพื่อจะให้บารมีของเราแก่ก้าเต็มตื่นขึ้นจนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะ ก, กิเลสเมื่อจบบริบูรณ์ขั้นนั้นแล้วนั่นเป็นว่าอเสคขะเป็นผู้ไม่ต้องศึกษา เ, เป็นผู้เต็มบริบูรณ์แต่พวกเราท่านทั้งหลายพูดกันได้ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้น ถึงไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ต้องสั่งสมบุญบา ร, รมีไปเรื่อยๆเก็บพร้อมลอมรทิ์ไปเรื่อยๆเกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวตามหลักพระธรรมวินยัยตามตำํรำรับธรรมราตามหนังสือตาม MP3 พวกเราก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าจาใจของเรา สั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆเพราะว่าการสั่งสมบารมีไม่ใช่ว่าเราเรามาเข้าวัดซะก่อน เ, ออเราจึงจะมาสั่งสมบารมีไม่ใช่เราอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในบ้านของเราอยู่ในสถานที่ใดเราพร้อมที่จะสั่งสมบารมีสร้างบุญสร้างกุศลได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยไม่ใช่ว่าเราเข้ามาในวัดซะก่อนกินข้าวอิ่มแต่อยู่ข้างนอกกินข้าวไม่อิ่มไม่ใช่ อ, อ, อยู่ข้างนอก จับไฟไม่ร้อนเข้ามาในวัดจับไฟร้อนไม่ใช่อยู่ในวัดก็จับร้อนอยู่ข้างนอกก็จับร้อนเพราะนั้นเราต้องสํารวมทกกิริยาบทถ้าเป็นไปได้สํารวมกายวาจาใจของเราอยู่ทาสถานที่ใดอย่าลืมตัวอย่าลืมเจ้าของเจ้าของเน่เป็นใครเราเน่เป็นใครอีกสักวันหนึ่งนะบอกได้เราอีกสักวันหนึ่งนะ เราจะต้องถึงจุดจบของเราเห็นไหมคนที่เกิดก่อนเราหรือว่าที่หลังเราก็เถอะนะจุดจบของแต่ละคนนะั่นไม่เหมือนกันแต่เรานี่อีกคนหนึ่งเราจะตั้งอยู่ในความประมาณนะเรานะอันนี้ให้พยายามบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนตัวของเราถ้าเราไม่สอนเราใครจะสอนเราถ้าเราไม่สอนเราเพราะนั้นให้สอนตัวเอง สอนเจ้าของแนะนําบอกกล่าวเจ้าของถ้าว่าคนอื่นบอกกล่าวนะ่ยบางทีพอใจไปเมื่อ ไ, ไม่พอใจบ้างแต่ถ้าว่าตัวเองสอนตัวเองเอพอใจหรือไม่พอใจกันนะั้ดูทำไม่พอใจอีกเอาเถอะเดี๋ยวประสบการณ์เองใจเอ้ยใจเอ้ยเดี๋ยวประสบประการณ์เองห ร, กรอกนั่นแหละอันนี้ก็คือการแนะนํำแล้วการสอนตัวเอง่ เน่เมื่อสอนตัวเองแล้วก่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างกูบากูเหมือนกันพวกพระกูเหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าเราเสียสละทั้งทีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาควรเราจะมาอยู่ห ล, ล, ล่อๆเลยแหละเป็นวันๆไปอยู่กินเป็นวันๆไปมันน่าจะมีการเร่งความเพียรบางครั้งก็ต้องเอาให้เด็ดเดียวบางครั้งก็ถอยบางครั้งก็เด็ดเดี่ยว เออมันยังงั้นมันจิงจะถูกนะไม่ใช่ว่าอยู่กินเป็นวันวันไปแก่เพราะกินข้าวเท่าพราะหลายปีมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแ ก, แกิ น, า น, านแก่เพราะอยู่นานเพราะกินข้าวเท่าพราะหลายปีอันนี้ก็เหมือนกันแก่เพราะกินก็กินข้าวเรากินข้าวมันก็แก่เท่าเพราะหลายปีแล้วก็อยู่นานไปก็เป แก้พันษาไปไม่น่าจะให้เป็นอย่างนั้นนะเห็ตั้งอกตั้งใจภาวนาของใครของเราประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศลนั่นแหละคือบัรมีถ้ามีเรามีบัรมีดีแล้วอยู่นักสถานที่ใดเปนดีทั้งหมดนั่นถ้าเราทำกรรมชั่วอยู่ที่ไหนมันก็ชั่วทั้งหมดอยู่บ้านใดตำบลใดมันก็ชั่ว ถ้าเราทำกรรมดีแล้วเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าข้าไม่ได้ทำสิ่งไหนที่มันจะเสียหายในหลักของพุทธศาสนาตรตงไหนมันเสียหายโดูเสีใจของเราไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเร า, เราทุกๆ ท, ท่านถ้าพวกเราดูตัวของเราอยู่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ลืมตัวอย่าลืมตัวคำนี้เลยอย่าลืมตัวคำนี้แหละให้มองเจ้าของ ถะมองเจ้าของไม่ลืมตัวไปอยู่นัดสถานที่ใดดีหมดแล้วลูกหลานนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตอนนี้นะวันนี้พอฉันยังหารเสร็จแล้วจะมีพวกอะไรพวกโผนพิสัยหรือพวกโซ่พิสัยพวอก็จำจำไม่ลื ม, ล, มลืมเหมือนกั น, นเขาจะมาประมาณ300อกว่าคนนะแต่เขาก็มาแพ้แวะเฉยๆหรอกหลวงพ่อก็คงจะได้ มาพูดมาพบเขาประมาณจักสิบโมงสิบโมงคน300กว่าคน เ, าเสร็จแล้วก็คงจะไปทานอาหาราหนาคําน้อยที่ร้านอาหารเราไม่ได้เกี่ยวหรอกเรื่องอาหารนะแต่ามาก็คงจะเลี้ยงน้ําเลี้ยงท่าธรรมดาคงจะหิวน้ําหิวท่าส่วนอาหารนะก็ <c oughs> อาหารเที่ยงเขคงจะไปทานที่นาคําน้อยอที่เขามีเขาบอกเขากล่าวกันไว้แล้วนะหลวงพ่อทราบอย่างนั้น แต่ที่ยังไงมาหาพวกเราก็ต้องพวกเราก็เตรียมน้ำรองรับเท่านั้นแหละในพี่น้องชัทตาญาโยมาหากันญาติธรรมมาหากันก็ต้องพบพูดคุยกันธรรมดานะหลวงพ่อก็คงจะลงมาพบพาโอภาปาใสประคนมาตั้งสามร้อยกว่าคนนะ